ถึงแม้กาจะอยู่ในอาการสงบแต่ใจนี่ซิมันสับสนวุ่นวายด้วยความคิดร้อยแปดพันประการื่องพี่คะเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีทีเดียวที่เราต้องพลัดพรากจากกันแต่ดูหลวงพี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายอะไรเหลองพี่ยังดูเป็นเดวัตตาคนเก่าของลีลาวดีทุกประการพอเห็นครั้งแรก ลีลาวดีก็จำได้ทันทีลีลาวดีดีใจเหลือเกินความรักรักนอความรักเจ้าจึงมีพลังยิ่งใหญ่เหลือเกินแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถจะทำลายเจ้าลงได้ลุงพี่คะทำไมยืนนิ่งเฉยไม่พูดอะไรกับลีลาวดีสักคำ ด้วว่าหงพี่จำลีลาวดีไม่ได้ก็นี่ลีลาวดีลูกสาวสุมังคละคฤหบดีแห่งกรุงสาวัตถีลีลาวดีผู้รักท่านยิ่งกว่าชีวิตลีลาวดีที่ได้สละแม่ญาติี่น้องและเข้าหาสถานออกประเวนหาหลวงพี่ถึงไม่พบเข้าที่เวโรวานารามยังไงละ่ะ ตาแล้วเกิดใหม่กับบีดามานดาใหม่หน้าตาของลีลาวดีคงเปลี่ยนแปลงไปหลวงพี่คงจำลีลาวดีไม่ได้แต่หลวงพี่คะแมหนาตาลีลาวดีจะเป็นคนอื่นจิตใจก็ยังเป็นดวงเดิมจิตใจเดิมที่เต็มไปด้วยความรักบูชาในหลวงพี่ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงหลวงพี่อย่าได้สงสัยเลย อะไรกันเกิดอะไรขึ้นลุงท่านเกิดอะไรขึ้นกันกัมมนตะรัตปาไนีอ้าแลนะ้ว น, น, นั่นไปนั่งอยู่ทําไมลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลุกลุงคเราโชคดีอย่างไม่คาดฝันโชคดีเหลือเกินโชคดีอะไรเหรอรัตปานี โชคดีที่เราไม่ต้องเดินทางไปกรุงราชคิร์แล้วละลุงท่านหมายความว่าเธอจะไม่ไปด้วยใช่ไหมนี่เะไรโชคดีลุงว่าโชค้ายตัางหากมันเรื่องอะไรถึงไม่เปลี่ยนใจอย่างกระทันหันหรือว่าท่านรมณะปูนี้พูดอะไรเปลี่ยนใจเธอเปล่าเลยท่านสมณะยังไม่ได้พูดอะไรกับรัตบานีสักคำเดียวแล้วเรื่องอะไรถึงเปลี่ยนใจไม่ไปพบกับพระเลวตัตตา เธอไม่ได้รักพระเลวตาแล้วเหรอรัตตานียังรักท่านเลวตาไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็ตามแล้วทําไมถึงไม่อยากไปพบก่ะรัตตานีอยากพบแล้วทําไมไม่ไปก็รัตตาณีพบคนที่ต้องการอยากพบแล้วอเอ๊ะนี่เธอหมายความม่ายังไงลุงงงไปหมดแล้วเอออธิบายให้ลุงฟังดี ท่านเคยพบพระภิกษุรูปนี้ไหมพบกันแล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นยังได้สนทนากันตั้งนานแล้วลุงท่านรู้ไหมว่าพระภิกษุรูปนี้เป็นใครลุงก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ถามเะด้วยเธอรู้จักเหรอรัตตปา น, นีรู้จักดีทีเดียวลุงท่านคงเป็นเพื่อนกับพระเรวัตะ์นี่ยสินะไม่ใช่เพื่อนหรอกลุงท่านพระภิกษุรูปนี้แหละคือเรวัตะ์ฮะ เรวตตนี่นนรอเรวตะรัตาปานีถูกแลาลุงท่านนี่คือเรวัตะคนรักของลีลาวดีเธอจาได้แน่เหลอรัอรตาปานีเธอจําจไม่ผิดแน่เลยถ้าลีลาวดีจําคนรักของตนไม่ได้ก็คงไม่มีใครในโลกจะจําอะไรได้โอ้ยไม่น่าเชื่อ ไม่น่าเชื่อเลยเอาเาเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเธอจะไปไหนเขามีหาเดวตาแน่ใจนะว่าไม่ผิดไม่ผิดแน่นอนลุงท่านาาหัเราะทำไมลุงท่านอเผมเฉยความสามารถของท่านสมนนะ่ะแม่มันเก่งมากทีเดียวนันเก่งมากสามารถปกปิดตัวเองไว้ได้อย่างแนบเนียน ปล่อยให้ขบั่าเก่าหนินพาท่านต่อหน้าท่านเองยังหมดไตหมดพงุงเออท่านธรรมนะไหนที่จุดท่านก็เดินตางมาสู่อุ้งมือของเราเองโดยที่เราไม่ต้องเดินตางไปถึงกรุงราชกระครึเออเอา้อาวอ้าวแล้วนั่นจะไปไหนละ่ะจย่าเพิ่งไปลืมพี่คะ เท้าอัตมาลุงพี่จะไปไหนปล่อยเท้าอัตมาลีลาว ด, ดีไม่ปล่อยลุงพี่สนทนากับลีลาว ด, ดีบ้างสิลุงพี่ยังไม่เชื่ออีกละ ว, ว่านี่คือลีลาว ด, ดีลุงพี่ยังสงสัยอะไรอีกก็ถามมาเถอะลิลาว ด, ดีจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดลุงพี่จะจากลีลาว ด, ดีไปไม่ได้ในชาติใหม่นี้เราจะไม่มีวันจากกันเป็นอันขาด ปล่อยเท้าอาตมาหลวงพี่พูดได้เพียงเท่านี้เองเหรอปล่อยเท้าอาตมาเถอะกุมาริกาหลวงพี่ขาถ้าหลวงพี่ยังไม่เชื่อเลยลาวอดีอันี่คือลีลาวดีจริงๆลีลาวดีจะพาหลวงพี่ไปพิสูจน์ความจริงที่กรุงพาราณสีที่กรุงสาวัตถีที่ราชคุครและทุกหนทุกแห่ง ซึ่งมีพยานหลักฐานรับรองว่านี่คือลีลาวดีเราจะเดินทางไปสาวัตถีด้วยกันไปให้แม่ในชาติก่อนของลีลาวดีอธิบายให้ฟังหลงพี่จะต้องเชื่อลีลาวดีแน่ๆข อ, อนิมนต์ลงพี่นั่งลงก่อนเถอะเราจะได้สนทนากันถึงความหลังในชาติก่อนลีลาวดีจะจัดพัตตาหารมาถวายท่านสมณนะ ท่านยืนอยู่ที่นี่นานมากแล้วคงจะเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยขอเถินท่านกลับไปพักผ่อนที่เกวียนของเราเถอะเราจะได้จัดพัฒนาารอันมีรสเลิศต่างๆถวายเราจะจัดการตอนรับกันอย่างดีที่สุดปล่อยท่านเถิดเถอดรัตปานีเวลาดีปล่อยแล้วเชิญหลวงพี่ ลุงจะไปไหนอย่าเพิ่งไปอย่ไปลุงพี่ใครอย่าไปลาาไ ป, ปล่อยเท้าอาตามาเถอะไม่ลีลาว ด, ดีไม่ปล่อยจนกว่าลุงพี่จะรับปากว่าจะไปกับลีลาว ด, ดีรับปากสิลุงพี่กุ ม, มาริกาเอ้ย เธอเชื่อแน่แล้วหรือว่ า, าพระภิกษุที่เธอกําลังจับตัวไว้และสนทนาอยู่ด้วยนี้เป็นคนรักของเธอลุงพี่คะลีลาวดีอาจจะจําคนอื่นผิดอาจจะจําสิ่งอื่นผิดแต่สําหรับคนรักของลีลาวดีแล้วลีลาวดีไม่มีวันจะจําผิดเป็นอันขาดถ้ามนุษย์ในที่นี้ไม่สามารถจะเป็นพยานแก่ลีลาวดีได้ เทพเจ้าเหล่าเทพยาดาทุกองก็คงยินดีเป็นพญานิก่ลีลาวดีหลวงพี่ขาแม้ว่าเราจะจากกันไปเป็นเวลาสิบหกปีแต่ภาพของหลวงพี่ยังสถิตยูนยคู่ใจของลีลาวดีอย่างแจ่มแจ้งตลอดเวลาลีลาวดีจาไม่ผิดดอกไม่เฉพาะรูปร่างของหลวงพี่เท่านั้นที่ยังคงเดิมแม้แต่สุ้มเสียงของหลวงพี่ก็ไม่เปลี่ยนแปลง กูมารีเอ้การเห็นคนแปลงหน้าผีชั่วครู <so S 1> ่แล้วทึกทักเอาว่าเป็นคู่รักของตนออกจะเป็นการกระทําที่วู่วามเกินไปพระภิกษุในพุทธศาสนาที่ชื่อเรวัตตมีอยู่เป็นจำนวนมากและที่มีรูปร่างหน้าตาทั้งสุ่มเสียงคล้ายๆกันก็ไม่อยู่ไม่ใช่น้อยและเธอจะแน่ใจได้ยังไงว่านี่คือเรวัตะคู่รักของเธอ หลวงพี่ไม่ยอมเชื่อเรื่อลาวดีเรื่องไม่ควรเชื่อแล้วใช้อาตมาเชื่อได้ยังไงแต่เรื่องนี้เป็นความจริงนะหลวงพี่เธ อ, อยืนยันเช่นนั้นแต่อาตมาก็ยืนยันอย่างที่เข้าใจคิดดูให้ดีการตัดสินใจของเธออาจจะผิดพลาดไม่ผิดพลาดแน่แนอนลาวดีมั่นใจเออเอาละ อย่าพูดอะไรอีกเลยรัตตานีเรื่องนี้ขอให้ลุงพูดปากลุงท่านเชื่อตามที่ลีลาวดีพูดใช่ไหมจ๊ะลุงเชื่อตามที่ท่านรมณะพูดมากกว่า <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> ท่านรมณนะท่านพูดถูกทีเดียวทีว่า การตัดสินใจของรัตตปาในอาจจะผิดพลาดขอบคุณอุบาสกแปลว่าอุบาสกมีอะไรสงสัยท่านกับรัตตปาในเพิ่งจะได้สนทนากันเป็นการสนทนาอย่างกระทันหันไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ก่อนความเชื่อ ย, ยังไม่เกิดแต่ถ้าได้สนทนากันนานๆอาจจะทําให้ท่านเชื่อก็ได้ จึงของนิมนต์ท่านไปรับพัฒนหานและพักผ่อนให้เป็นที่สบายที่กองเกวียนของเราก่อนเถอะเราจะได้สนทนาไต่ถามให้แจมแจ้งท่องแท้ขอบคุณอุบาสกขอเชิญท่านพาหลานสาวกลับไปก่อนเถอะอาตมาจะเดินทางต่อไปลวงพี่ ลงพี่คะอย่าเพิ่งไปพูดกันให้เข้าใจก่อนอย่าเพิ่งไปนะหลงพี่ปล่อยเท้าอัตมาเถอะกุ ม, มาริกาไม่ลิลาวดีวไม่ปล่อยหลงพี่จะต้องเชื่อที่ลีลาวดีวพูดมันนี้เป็นความจริงปล่อยเท้าอัตมาหลุงพี่ต้องรับปากก่อนลุงพี่จะไม่ไปจากที่นี่จนกว่าจะพูดกันเข้าใจอัตมากำลังนนจะไปอยู่เดี๋ยวนี้ ทั้งหมดอาตมาเข้าใจดีท่านยังไม่เข้าใจท่านยังไม่เชื่อว่านี่คือลีลาวดีท่านยังไม่เชื่อท่านคิดว่าลีลาวดีโกหกสงสารเสียจริงดูเหมือนว่าน้ําตาแห่งความรักความสงสารเริ่มไหลเอ่อออกมาเต็มเบ้เบาตานับเป็นครั้งแรกที่น้ําตาตก หลังจากลีลาวดีตายไปเมื่อสิบหกปีที่แล้วชายแก่ไปไหนซะแล้วล่ะเห็นทีจะกลับไปที่เกวียนไปคอยอยู่ที่นั่นเข้าใจว่าเราจะไปที่เกวียนตามคําเชิญถ้าไปก็หมายความว่าแพ้ยอมรับแปล ว, ว่านี่คือลีลาวดีไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดลุงพี่คะอย่าไปนะ อยู่ที่นี่พิสูจน์ความจริงที่แน่ชัดก่อนลีลาวดีมีสิ่งที่จให้หลวงพี่พิสูจน์ถ้าปากับลีลาวดีสิหลวงพี่จะไม่ไปไหนปล่อยขาอาตมาเถอะขอให้อาตมาเดินทางไปได้วยความสงบสุขหลวงพี่หลวงพี่จะไปแน่หรออาตมาไปแน่แล้วลีลาวดีละ่ะ ท่านขาท่านจะทํำยังไงสำหรติเธออาตมาเชื่อว่าไม่ช้าเธอจะได้พบกับพระเรวัตตาตัวจริงที่เป็นคนรักของเธอแน่นอนแล้วท่านละ่ะไม่ใช่พระเรวตตาหรอกเหรอเป็นความเข้าใจผิดของเธอแต่อาตมาก็ให้อภัยความผิดพลาดครั้งนี้หลวงพี่ ลนลาวดีคลายมือที่กอดเท้าออกอย่างรวดเร็วลุกขึ้นยืนจ้องมองด้วยสายตาที่แข็งกล้าเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของเธอในที่สุดหลวงพี่ก็ไม่อยอมรับตนเองเป็นเรวัตะของลนลาวดี หลวงพี่ลืมลีลาวดีซะแล้วเสียรางที่ลีลาวดีกลับมาเกิดอุสาจงรักพักดีสุดหัวใจอุสาดัานโดนเดินทางไปพบแต่พอพบแล้วหลวงพี่กอบทําเป็นจำไม่ได้ความรักอันแสนบริสุทธิ์ของลีลาวดีได้รับสิ่งฝากแทนก็คือการปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใ่เช่นเดียวกับชาติก่อน กรรมของลีลาวดียังไม่หมดสิ้นอีกเหรอเนี่ยเมื่อไหร่นะเราจะสิ้นกรรมสิ้นเวรเมื่อไหร่นะเราจะเข้ากันได้อย่างถูกต้องสักทีเลยพี่คะออกวปรับก า, านี้ผมลอาไปแล้วออกไปอะไรไปไปเลย เป็นยังไงบ้างละ่ะรัตตาปานีเดวตละล่ะเดวตะอยู่ไหนโน่นเขาเดินไปโน่นแล้วหลวงพี่คะอหลวงพี่คุยลีลาอีกคนอย่ไปรัตตปานีกลับมาเธอไม่ยอมฟังเสียงวิ่งตามพระพิสุไปอย่างเร็วปะโตเดี๋ยวก็ได้หกล้มล่ะเดวตาคุยก่อนหลวงพี่คะคอยลีลาวดีด้วยอยุดการเสียหลวงพี่คะ จะไม่ยอมหยุดจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดน่าสงสารแต่ก็ต้องทำใจแข็งเอาไว้ลุงพี่คะคอยในรลวัดีก่อนเดวิตาในรำวดีจะหมดเด้งแล้ ว, อวเ อ, า, เอ า, นนานั่นรัตะปานนล้มลงไปแล้วรีบ ไ, ไปโด่กันเร็วเร็วเข้าไป ยุงยกขึ้นแร็วเออเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้กออออออออิรักกระฟานี่รักกระฟานี่เอ้ยเธอหมดสติไปแล้วนะท่านนายกองเกวียนเอางั้นจะทช้ายอยู่ทําไมละ่ะช่วยฉันแก้ให้ฟื้นเร็วเข้าคีเธอคงจะเสียใจมากทีเดียวนะถึงได้หมดสติล้มฟุบลงไปอ่ะไม่ใช่การ จ, ะจะัดไถ่ใจอย่างเดียวสําทําใจมากอีกด้วยเพราะเธอมันแน่ว่า พิษุรูปนั้นนะ่ะคือเรวตัตตแล้วใช่เรวตัตตหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คิดว่าไม่ใช่มากกว่านะท่าหนายกองเกวียนก็บอกเธอสิบอกแล้วยอมเชื่อที่ไหนเราเออรัฐปานีรัฐปานีานเอ้ยเธอเธอลืมตาแล้วน ะ, ะในใยกองเกวียนเออเออ เ, ออเป็นยังไงบ้างรัฐบานีฮะเรวตตากลับมากอด กลับมาก่อนอย่าเพิ่งจากเวลาวดีไปเทวตะคะกลับมาก่อนกลับมาให้เวลาวดีเห็นหน้านานๆสมกันที่คิดถึงซะ ก, ก่อนแล้วค่อยจากไปเดวตะคะ อ, อ, อย่าไปรำพังรำพันถึงเขาเลยระดับปานไหเย้เทวตะอยู่ไหนเขาไปแล้ว เรวัตตะก่อนมก่อนจะว่องไปไม่มีประโยชน์หรอกเขาไปแล้วลุงเชื่อว่าพระพิสุรูปนั้นนะ่ะคงไม่ใช่เรวัตตะคนรักของหลานแน่แน่ใช่ต้องใช่เขาแน่นอนลงุงคะเขาต้องใช่แล้วัตตะของลีลาวดีหลานไม่รู้ได้ยังไงว่าต้องเป็นเขานะ่ะลีนาวดีจำเขาได้ ไม่มีใครในโลกนี้ที่เีลาวดีจำได้เท่าค้ารูปร่างท่าทางของเขาก็คือเรวตัตตคนเรานะอาจไม่รูปร่างหน้าตาเหมือนกันก็ได้นะรัตปานีแต่คงไม่เหมือนกันทุกอย่างดัวไมมีข้อแตกต่างกันเลยย่อมเป็นไปไม่ได้แม้แต่ลูกฟ้าแฟดยังมีส่วนแตกต่างกันอยู่บ้างนีลาวดีเชื่ออย่างเส็มที่ว่า พิสุรรูปนี้คือเรวัตตาคนด่าองหลานไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวแต่เป็นความรู้สึ ก, กจรแทจริงอีกด้วยถ้าเป็นเรวัตตะคนรักของเธอจรเขาไม่น่าจะแสดงกริยาอย่างนี้กริยาอย่างหนที่น้องท่านว่าเฉยเมยกระหลานน่ะสิ เขาเป็นเรวัตตะเขาน่าจะดีใจอย่างเหลือร้อนที่ได้พบหลานพูดคุยกับเธออย่างกระตือรือร้อนและตัดสินใจอยู่กับเธอเพราะรู้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยแล้วว่าหลานคือลีลาบดีแน่เขา อ, อาจจะยังไม่แน่ใจก็ได้ถึงขั้นไหนแล้วเขาต้องแน่ใจเพราะเมื่อตอนเย็นลุงได้ไปคุยกับเขา เล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวหลานให้เขาฟังจนหมดสิน้นโดยที่ลุงไม่รู้ว่าเขาเน่ยคือเรวตัตตาแต่นี่เขาทำกับหลานราวกับว่าเป็นคนอื่นลุงจึงไม่อาจเห็นเป็นอย่างอื่นได้นอกจากว่าเขาไม่ใช่เรวตตาตัวจริงเท่านั้นใช่แน่นอนลุงคะเขาเรวตตายัางไม่ต้องสงสัยเชื่อเถอะเขาเรวัตตาแน่ๆ ใช่หรือไม่ใช่เรายังรู้ไม่ได้เวลานี้นอกทัศั์ว่ารู้จักว่าอะไรลุงท่านเราเดินทางไปถึงกรุงราชคฤห์แล้วนั่นแหละเราถึงจะรู้ความจริงทั้งหมดเอาละเราออกเดินทางกันเสียเดี๋ยวนี้เลยเสียเวลามานานแล้วไม่มีประโยชน์ด อ, อกลุงท่านหมายความว่าอย่างไรรัตปานีเ็าไปถึงกรุงราชคฤห์ ก็จะพบว่าคขาม่อยู่ที่นั่นแล้วหลานรู้ความเชื่อมันมีอยู่อย่างนั้นไม่อยู่จะไปไหนถามคนที่นั่นก็จะบอกเราว่าเขาออกเดินทางไปเมืองพาราณสีแล้วเออแล้วข่าอย่างนั้นเราจะทํำยังไงต่อไปกลับคืนพาราณสีทําไมไม่มีทางอื่นอีกแล้วเราจะกลับคืนพาราณสีวันนี้และเดี๋ยวนี้แลรัตตานี ตกใจด้วยเหรอใช่สิลุงตกใจทําไมล่ะมีอะไรที่ลุงท่านต้องตกใจก็คาว่ากลับพาราณสีเดี๋ยวนี้น่ะสิแล้วสินค้าของเราล่ะสินค้าสินค้ามากมายที่บรรทุกเกวียนเราะจะทํำยังไงนํากลับคืนพาราณสีโดยไม่ขายเลยอย่างนั้นเหรอลุงท่านห่วงสินค้าก็ไม่ใช่เรื่องยากเยนอะไร ลุงท่านนําขบวนเกวียนเดินทางต่อไปยังกรุงราชคฤห์ก็แล้วกันแล้วหลานล่ะลีลาวดีจะกลับพาราณสีตามลําพังอย่างนั้นเหรอเชื่อว่าลีลาวดีกลับได้ไม่ใช่เรื่องลําบากอะไรแต่ถ้าลุงท่านจะเมตตาให้มีคนอรารักขาไปสักสองสามคนก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงโอ้ยลุงทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นลีลาวดีจะกลับตามลําพังเองไม่ต้องรบกวนคนของลุงท่าน ลุงไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่การที่จะปล่อยให้หลานกลับไปกับคนอารักขาสองสาคนตามที่หลานต้องการนั้น่ะลุงทาไม่ได้ตั้งหาดทไมล่ะลุงท่านลุงจะต้องถูกพ่อของเธอตำหนิอย่างหนักและเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทาอย่างยิ่งเพราะระยะทางกลับคืนพาราณสีไม่ใช่ไกลต้องใช้เวลาเดินทางถึงสองวันลีลาวดีไม่กลัว แต่ลุงกลัวลุงท่านกลัวอะไรกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดกับหลานนะสิถ้าลุงปล่อยให้หลานกลับไประหว่างทางหลานได้รับอันตรายพ่อแม่ของหลานคงจะไม่ให้อภัยลุงเป็นอันขาดและถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไงและ้ะลุงท่านลุงตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะพาหลานกลับไป เกิดอะไรขึ้นไม่พอใจเลยสงสัยจริงๆสาหให้สงสัยอะไรหรือก็ที่ท่านนายกองเกวียนออกคําสั่งกระทันหันให้กลับกรุงพระณสีน่ะสิสาหายไม่สงสัยบ้างหรือไงว่ามันเรื่องอะไรท่านนายกองเกวียนจะเอาสินค้าไปขายแล้วสั่งให้กลับอย่างนี้สินค้าจะทํำยังไงก็ไม่เห็นยากก็อเอาสินค้ากลับไปด้วยเท่านั้นเองแต่แล้วไม่ขายงั้นหรอใช่มันเรื่องอะไรจะไม่ขายแบบนี้ก็ขาดทุนนะสิ ก็ขาดก็เป็นขาดสิดีกว่าจะให้หลานสาวเป็นอันตรายมันเรื่องอะไรกันรัตตาปานีไม่ต้องการเดินทางต่อไปจะกลับพาราณสีท่านในกองเกวียนก็เลยต้องไปส่งแบบนี้มันก็แย่น่ะสิมันจะแย่อย่างไงเศรหายก็รูนะ้เราต้องขาดรายได้ไปอีกเยอะนะ่ะเมื่อถึงคราวจาเป็นอยากไปคิดอะไรมันเลยไปไปช่วยเันเก็บข้าวของ ท่านในกองเกวียนสั่งให้ออกเดินเท่าเป็นการตรวจ ท่านสัมมาะเขามาพักตายลมมัเดือก่อนรู้สึกว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยขอบคุณในความเอื้ออารีท่านสัมมะจะเดินทางไปไหนละ่ะอาตมาจะไปกรุงคารานสีนี่ก็เดินทางมาสองวันแล้วถ้ายัางนั่นวันนี้ท่านก็มาถึงที่ท่านตั้งใจมาแล้วหมายความว่าอะไรอุบาสกก่อนเลย เขตของกรุงพารณาณสีนครเก่าแก่ที่สุดแห่งโชมพูทวีปที่ท่านเห็นอยู่นั่นคือแม่น้ํำคงคาแล้วนูนทิวทัศนของกรุงพารณาณสีเห็นได้อย่างชัดเจนสวยมากทีเดียวท่านมองลงไปข้างล่างนูนสิแม่น้ําสีเขียวใสสะอาดนั่นแหละแม่น้ําคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ไหลเอื่อยๆไปทางทิศตะวันออก เรานูนใช้ฟังด้านเมืองพระนศีท่านเห็นอะไรไหมตาหลิ่งสูงชันบันไดหินเป็นชั้นชันลดหลั่นลงไปและที่สำคัญมากกว่าบันไดหินนั้นก็คือผู้คนจำนวนมากถูกแล้วเดินกันไปมาขวักไขปที่ชายน้ำมีคนจำนวนมากกำลังลงอาบน้ำท่านรู้ไหมเขาเหล่านั้นลงอาบน้ำกันทำไม เป็นการชำระเงื่อนใครและผ่อนคลายความร้อนนั่นก็ถูกต้องแต่ที่สำคัญก็คือว่าเป็นการล้างบาปอาบน้ำล้างบาปถูกแล้วทันรมณนะอาบน้ำล้างบาปตามรัธิสาสนาพรามซึ่งเชื่อว่าน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลมาจากสวรรค์ผู้ใดได้อาบได้ดืม่มผู้นั้นจะบริสุทธิ์ผุดผ่องจากบาปทั้งหลาย แล้วนั่นล่ะกองไฟกองไฟหลายกองควันพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นหมายถึงอะไรอุบาสกนั่นคือเชิงตะกอนเชิงตะกอนทำไมมาตั้งอยู่ชายน้ำเขาที่มาตั้งอยู่ชายน้ำเพราะประชาชนเถื่อกันว่าผู้ใดตายแล้ว ได้เผาศพยังชายฝั่งแม่น้ำคงคาและกระดูกเทาฐานได้รับการกวาดลงสู่แม่น้ำคงคาผู้นั้นจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าทุกคนก็เลยอยากมาตายริมฝั่งแม่น้ำคงคาไม่ผิดรอกทัณฑมักทุกคนต้องการให้ซากศพของตนถูกเผาและกวาดลงสู่แม่น้ำบางคนเห็นว่าป่วยหนักไปไม่รอดแน่แล้ว พวกญาติก็จะช่วยกันหามมายังฝั่งคงคาอย่างเรียบเร็งเพื่อให้ทันสินใจริมฝั่งแม่น้ำทุกเพศทุกวัยและทุกฐานะใช่ไหมอุบาสกถูกแล้วพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดถึงกษัตริย์มหาสารพระมมหาสารจากต่างบ้านต่างเมืองเมื่อแกชาราลงใกล้ความตายมักจะมาสร้างคฤหาสน์ปราสาทอยู่อาศัย คอยความตายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อว่าตนจะได้ตายบนฝั่งแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ได้ทันท่วงทีน่าสนใจมากสูงเหนือตลิ่งขึ้นไปเห็นจะเป็นสถานเทวาลัยไม่ใช่สถานเทวาลายอย่างเดียวยังมีสถูปเจดีหลายชนิดหลายขนาดจุดประสงค์เพื่ออะไร เพื่อให้นักจาริกสแสวงบุญได้บุชาบวงสรวงต่อเทพเจ้ายอดสถานเทวราช